3.22 จสองสองชาวพุทธสันโดษในผลแต่ขยันทาเหตุวงเล็บเปิด24ี่มีนาคม2550น้าห้าิในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสี่สิบห้าวงเล็บปิดชาวพุทธไม่ใช่ขี้เกียจนะพวกเรามักจะคิดว่าโ o ทีฟในวงเล็บแรงจูงใจมีเฉพาะอากุศลเราคิดว่ากิเลสเท่านั้นคือโมทีฟที่จริงสิ่งที่ดีๆก็เป็นโมทีฟได้ชาวพุทธจริงๆไม่จาเป็นต้องจนนะไม่จาเป็นต้องปอนด้วย ในสมัยพุทธกาลชาวพุทธเป็นเศรษฐีตั้งเยอะความขี้เกียจทางานเป็นข้ออ้างของกิเลสทาเป็นบอกว่าฉันสมถะฉันมันมักน้อยสันโดษฉันขี้เกียจนั่นแหละขี้เกียจเป็นกิเลสนะเราต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรเราเป็นใครเรามีหน้าที่อะไรเรามีบทบาทอย่างไรเราเป็นคาวาดมีหน้าที่ทำมาหากินต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็ทำคุณประโยชน์ต่างๆมีหน้าที่นะ จะมาขี้เกียจงอมืองอเท้าไม่ได้นะคนละเรื่องกันต่อหลวงพ่อเด็กๆจอมพลสลิดสั่งพระว่าต่อไปนี้ห้ามสอนเรื่องสันโดษนะสันโดษทําให้คนขี้เกียจนี่แสดงว่าไม่เข้าใจธรรมสันโดษไม่ได้แปลว่าขี้เกียจสันโดษนี่ขยันนะทําเต็มที่เลยจุดฝีไม้ลายมือทําให้เต็มที่ลงไปแต่ว่าทําไปเต็มที่แล้วนะได้ผลอย่างไรก็ยอมรับผลอันนั้นสมมติว่าเราทําบริษัทค้าขาย ตั้งเป้าเอาไว้ว่าต้องได้พันล้านปรากฏว่ามันได้แค่10บล้านสุดฝีมือแล้วมันได้แค่นี้ก็พอใจแล้วภูมิใจว่า10บล้านนี้แลกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงนี่ภูมิใจนะไม่ใช่ดูถูกเหดี๋ยวยามในผลงานดังนั้นสันโดดในผลนะไม่ใช่สันโดษในเหตุเหตุต้องขยันขี้เกียจเป็นกิเลสเห็นไหมกิเลสหน้าตามันสวยนะ